สิ่งรู้จักยากที่สุด กว่าสิ่งใดไม่มีสิ่งไหนได้ยากเท่าสิ่งนั้นคือตัวเองหรือตัวเราที่คนเขาหลงว่ากูรู้จักดีท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านเคยกล่าวไว้ว่ารู้จักตนต่อเมื่อเห็นความไม่มีตัวตนอันนี้ลหละท่านเคยกล่าวเอาไว้ถ้าอย่างนี้นี่ก็หมายถึงว่าคนที่ยังยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ก็แสดงว่าผู้นั้นยังไม่รู้จักตนที่แท้จริงแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยตัวตนเนี่ยไม่มีหรอกตัวตนมีได้เพราะความเห็นผิดเข้าใจผิดจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นผลตามมาก็คือเป็นทุกข์แต่ถ้าหาว่าเรามีความเห็นถูกต้อง เราจะรู้ว่าอ๋อตัวตนเนี่ยมันเป็นเพียงสมมุติใช้ทำประโยชน์ท่านั้นแล้วก็มีแต่จะปล่อยวางไม่ยึดมั่นไม่ยึดติดในสิ่งสมมุติปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นแล้วที่ตั้งของการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวต น, นก็ไม่เกินที่ตัวเรา ตัวเราของเราธ่านาจารพุทธทาาจารมัจกรล่าวว่าตัวกูของกูก็ชี้ตรงไปที่ตัวเราก็คือขันห้าก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณขันแปลว่ากลุ่ม กองหรือกรุ๊ปเนี่ยคือกองอะกองกองนี่ง่ายเข้าใจง่ายขันห้าเนี่ยเราย่อลงมาเหลือแค่สองคือรูปกับนามรูปประขันก็คือร่างกายของเราส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั้นคือส่วนของนามเห็นไหมสรุปลงเหลือแค่รูปนาม แล้วก็รูปนามขันห้านี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราและของเราแต่ที่จริงแล้วเนี่ยลักษณะของรูปนามขันห้านี่มันมีแต่ความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีทุกทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้บีบคั้นต้องให้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเสมอ แล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ที่เขาเรียกว่าอนัตตานะอันนี้คือธรรมชาติของขันห้าเนี่ยเลยรูปนามสิ่งเหล่านี้แหละเรามองไม่เห็นไม่ชัดเจนไม่ได้สัมผัสเราจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่ารูปนามขันห้าเนี่ยเป็นตัวเราของเราเราจึงเป็นทุกข์ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป้าหมายสําคัญก็คือให้รู้เท่าทันในความเปลี่ยนจริงแล้วก็ปล่อยวางเขาเรียกว่าอุปทานละความยึดมั่นยึดติดในกันห้าเสียนี่คือเป้าหมายสําคัญเลยม่จะพ้นทุกในที่สุดการปฏิบัติธรรมเนี่ย จะต้องอาศัยเครื่องมือสําคัญก็คือการเจริญสติเนี่ยอาศัยความเพียรเนี่ยขยันหมั่นเพียรอย่างต่อเนื่องในการที่จะเจริญสติแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมอๆที่เรียกว่าสัมปชัญญะคือความรู้ตัวเนี่ยดูลงไปที่กายที่ใจของเรา หรือรูปนามขันห้าเนี่ยให้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างไรนี่แหละคือประเด็นสำคัญในการปฏิบัติธรรมเช่นเวลาเรามีสติแลึกรู้ลงไปที่กายหรือที่รูป เ, เราจเจนว่ารู ป, ปรธรรมที่เราเรียกว่ากายเนี่ยมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เรานอนอยู่นานๆเนี่ยเรานอนอยู่ได้ไหมอนอนไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าความทุกข์มันบีบคั้นมันปวดมันเมื่อยต้องเปลี่ยนอียาบทไปนั่งบ้างนั่งนานๆก็นั่งอยู่ไม่ได้เพราะถูกความทุกข์มันบีบคั้นต้องเปลี่ยนไปยืนบ้างไปเดินบ้างพลิกซ้ายพลิกขวาอียาบทย่อยๆมากมายไม่ได้การกระพริบตาไม ทำไมเราต้องกระพริบตาด้วยเพราะว่าความทุกข์มันบีบคั้นจะต้องกระพริบตาเพื่อแก้ทุกข์ให้กับตาลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกหายใจออกแล้วก็ต้องหายใจเข้ามันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีความทุกข์บีบคั้นอยู่เสมอๆ อ, อยู่หนึ่งๆต้องคอยแก้ไขแก้ปัญหาให้กับกายกับ ร, รูปธรรมของเรา เราเปรียเส ม, มือนแพทย์เหมือนพยาบาลจะรูปประันเนี่ยเปรียบเส ม, มือนคนป่วยคนไข้นะเราต้องคอยดูแลต้องแก้ไขเดี๋ยวทายหนักทายเบาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหิวอีกแล้วต้องแก้ปัญหาก็าอยู่เรื่อยพอแก้ปัญหาเสร็จเราก็คิดว่าเรามีความสุขที่จริงทุกมันหายไปชั่วคราวนะเดี๋ยวรูปมันก็เป็นทุกข์อีกตลอดชีวิตต้องแก้ปัญหาตัวเองอยู่อย่างนี้ และผลสุดท้ายรูปเนี่ยก็ต้องแตกทําลายไปอยู่ไม่ได้นี่คือสภาพของรูปประธรรมใช่ไหมถ้าเราฝึกที่จะละฝึกที่จะปล่อยวางรูปประธรรมได้เนี่ยเราก็จะไม่ต้องตายนะ <c oughs> คือตายซะก่อนตาย <c oughs> คือถอนความยึดมั่นถึงมั่นว่ารูปเนี่ยเป็นตัวเราซะ ก่อนที่มันจะตายก่อนที่รูปจะแตกทําลายเราใช้สมมุติว่าตายตายคือสมมุตินะที่จริงเป็นการแตกทาลายของรูปประคันเห็นไหมเนะี่ยแค่รูปประคันนะเราเพียงแต่มีสติคอยรู้ให้เท่าทันในปัจจุบันไม่ที่คิดเอาถ้าคิดเอาในอย่างไม่จริงต้องมีสติสัมผัสลงไปจริงๆริงที่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้ ที่รู ป, ปรขันในขณะปัจจุบันเฉพาะหน้าคิดเอาไม่ได้และส่วนกองเวทนาอันนี้เป็นกองเวทนากองที่สองรู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์แล้วก็รู้สึกเฉยเฉไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้เรียกว่ากองเวทนามันก็ไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนแปลงไปเสม อ, เ, สมอเดี๋ยวเป็นสุขสักพักหนึ่งอาเป็นทุกข์อีกแล้ว แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสุขอีกบางทีก็เฉยเฉยสลับสับเปลี่ยนกันถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นเราก็อยากให้มันเป็นสุขทั้งวันสุขตลอดไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรือเวลาเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตว ก, ก็มีบางช่วงที่ทุกข์มันดับไปแต่เรารู้ไม่ทันเราไม่อยากให้ความทุกข์มันดับหรือเราอยากให้ความทุกข์ดับ อันนี้เราบังคับบัญชามันไม่ได้แร้วแล้วแต่เหตุปัจจัยมีเหตุให้ดับมันก็ดับมีเหตุให้เกิดมันก็เกิดโดยสภาพของธรรมชาติตามกฎตรายักษ์ส่วนกองที่สามนี่ยเขาเรียกว่ากองสัญญาสัญญานี่หมายถึงความจําได้จําได้หมายรู้จําเรื่องราวในอดีตได้ จำได้ว่าอันนี้ชื่ออะไรความจําความลืมเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราจะจําได้ตลอดไปไม่ได้หรอกดี๋่เราก็ลืมเราเคยลืมไหมลืมหลายอย่างเดี๋ยวก็ลืมกุญแจเดี๋ยวก็ลืมแว่นตาเดี๋ยวก็ลืมหน้าตาคนนี้จําหน้าได้นะคนนี้ยแต่ลืมชื่อเนี่ยมีไหม คล้ายคลายคลับกลานึก่าต่ออะไรนึกไม่ออกลืมชื่อไปและบางดีเจอหน้ากันจะพูดเรื่องเนี้แต่ลืมแล้วว่าจะพูดอะไรดีต้องเดินกลับไปตั้งต้นเดินมาใหม่ก็มีนะเนี่ยอันนี้การลืมเป็นเรื่องของธรรมชาติของสัญญาเพราะความไม่เตี้ยงของสัญญาความจําได้ไม่รู้มันจึงลืมอันนี้จริงผมก็ว่าดีนะเราเนี่มันลืมลืมอะไรซะบ้างเนี่ยผมก็ว่าดี ถ้าเราทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยโอ้โหสงสารใจใจมันต้องแบกภาระไอสิ่งที่ไม่อยากจําเนี่ยมันก็มักจะจําไอสิ่งที่อยากลืมเนี่ยมันก็ไม่ลืมเห็นไหมแสดงว่าสัญญาเนี่ยเราบังคับบัญชามันไม่ได้มันเป็นหลักของอนัตตามันไม่เที่ยงแล้วยิ่งสังขารขันเนี่ย สังขารกลุ่มกรองที่สี่เนี่ยสังขารเนี่ยคือความคิดปรุงแต่งอันนี้เกิดดับนับไม่ทันเลยนะเดี๋ยวคิดดีอ่ะไม่นานเดี๋ยวคิดไม่ดีเรื่องละเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบอย่างเช่นอาหารเนี่ยแม่อาหารนี่ชอบจังเลยทานทุกวันไม่เบือ่อเอาเถอะลองทานไปเถอะเดนนี้มันก็เบือ่อความชอบเนี่ยมันไม่เที่ยง ความเกลียดชังก็เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างนี่เราไม่ชอบเราเกลียดคนวนนี้เราเกลียดแต่บางทีเราเคบกันไปนานๆเนี่ยเรากลับรักเขาชอบเขาก็ได้นะสังการละการเนี่ยความชอบหรือไม่ชอบการปรุงแต่งเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกมันเปลี่ยนแปลงไวามากอย่างเช่นเวลาจิตเราสงบเนเราก็ชอบอยากให้จิตมันสงบไม่อยากให้มันปรุงแต่ง พอสงบเริ่มสบายมีความสุขมันมีปิติเราอยากให้มันสงบแต่มันสงบได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นไม่สงบคนที่มีสติดูจิตอยู่เสมอเสมอเจ็นว่าเดี๋ยวมันสงบเดี๋ยวมันคิดเดี๋ยวมันปรุงเดี๋ยวมันว่างในขณะปัจจุบันนะได้สัมผัสเราเจ็นว่าสังขารเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมีแต่ความเปลี่ยนแปลง ในส่วนหนึ่งคือกองที่5คือวิญญาณนักขัวิญญาณนี่แปลว่ารู้แจงรู้แจ้งทางตาในการเห็นรูปรู้แจ้งทางหูในการได้ยินเสียงรู้แจ้งทางจมูกในการรู้กลิ่นรู้แจ้งทางลิ้นเวลารสชาติอาหารมาสัมผัสรู้แจ้งทางกาย เย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็รู้แจ้งทางจิตที่มันคิดนึกปรุงแต่งอันนี้คือวิญญาณาขาคารคือรู้แจ้งวิญญาณนี่เราจะคิดว่าเป็นวิญญาณที่ลอยล่องออกจากตัวเราตุ๊บปองตุ๊บปองไปเข้าล่างโน้นอานี้นั่นไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่วิญญาณในทางพุทธศาสนาวิญญาณในทางพุทธศาสนานั้นเราหมายถึงที่เกิดทางตา ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอันนี้แหละวิญญาณในทางพุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจคือวิญญาณทั้งหมดเนี่ยแล้วมันก็เกิดดับเกิดดับเราจะเห็นทั้งวันก็ไม่ได้ได้ยินทั้งวันก็ไม่ได้มันสลับสับเปลี่ยนวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงมันบังคับบัญชาไม่ได้ เราจะคิดออาไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าเราจเจริญสติรู้ตัวทั่วพร้อมดูขันห้าหรือดูกายดูใจดูรูปดูทำดูรูปธรรดูนมามประทำอยู่เสมอเสมอดูอยู่ดนืงเนืองอย่างต่อนเนื่องเราจะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนที่รูปนามขันห้านียเมื่อเราเห็นบ่อยรู้บ่อยถ้างไม่เกิดปัญญาละกิเลสปล่อยวางความยึดมั่นถือมันได้ จิตเราก็พ้นภยัยไม่ต้องเป็นทุกข์นี่แสดงว่าเรารู้จักตัวเราที่แท้จริงตอนเมื่อเห็นความไม่มีตัวตนอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของปริยัติหรือเรื่องของตำราสักหน่อยแต่ตำราที่กล่าวนี้คือ น, นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการเจริญสติ